พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าสารานิยธรรมนำสุขงานของหลวงปู่จา ผ่านไปหลวงพ่อเหมือนกับมรสุมหรือว่าฝนกำลังจะค้มบดค้มมาอย่างแรงแต่บันนี้มันตกผ่านไปแล้วความรู้สึกหลวงพ่อเปอ็นยางไงน่นะพอฝนตกพัดผ่านไปแล้วนะโล่งใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยัง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 ก็ได้เอารถพ่วงไปช่วยขนฟางบางขนขนบางเอาคนโซเฟอร์ไปดูประจําแล้วก็เมื่อวานนี่เพิ่งขนของกลับพวกโต๊ะเก้าอี้พวกเต็นท์ทั้งไปเอาไปส่งแล้วทั้งเอาไปกลับด้วยก็ต้องกลับมาด้วยแล้วกับปฐมวันก็เอารถพ่วงไปเมื่อวานวันก่อนยังได้ใช้ไปส่งโต๊ะเก้าอี้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 มาใช้หายไปสองตัวตัวละหมื่นกว่าบาทโ อ, อ้โหถูกหลานแต่ตามไม่จริงถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใกล้า ย, ยืมหนอราคาแพงขนาดนั้นอันนี้ก็นี่แหละสิ่งของอที่งานของหลวงปู่งานที่เราได้จัดทาไปก็รู้สึกว่าราบรื่นในระดับหนึ่ง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 เพื่อจะให้งานของหลวงปู่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่สิ่งที่ตามมาหรือว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตระหว่าเรื่องอะไรหลวงพ่อก็มองมองมองมอ ง, มอ ง, มองดูเหมือนกันนั่นแหละเพราะพระโลกน้นมันเป็นโลก mm hmm. ไว้ใจทางวางใจคนจนใจเราที่หลังอันนี้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดหมดทุกอย่างแต่ถึงยังไงถ้าว่าจิตใจของเราเป็นกุศลสัอย่างเราทาเพื่อการกุศล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 ท่านละลึกถึงความตายอย่างเดียวท่านนะสบายนักปล่อยหมดที่จะถือโทษโกรธเคืองที่จะมักใหญ่ไฟสูงที่อยากจะเป็นหัวหน้าหัวตายอยากจะมีหน้ามีตาในชุมชนสังคมอยากอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเียนคนอื่นมันตัดไปหมดเพราะอลายเพราะเราละลึกถึงมรณะภัยคือความตายมันใหญ่นัก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 การคิดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นสารานิยธรรมทมเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามนเณรทั้งตอนหน้าและรับหลังช่วยขนขวายการดูแลภิกษุไข้หรือมีการชาร ถ, ถุกสุกดิบของพระเนนหรือญาติโยมอันนี้วาอันหนึง่งเข้าไปตั้งวจีกรรม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 สร้างสรรค์ไม่ได้คิดเพื่อจะเบียดเปี่ยนทําร้ายทําลายใครอันนี้บอกทั้งมัณฑรกมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิกษุสั ม, มนเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่าเทียมกับสัมมาเนปิษุสั ม, มนเนนอื่นอย่าทําตนให้เป็นคนเลวให้รักษาศีลเสมอพิกษุสั ม, มนเนนอื่นอย่าให้เป็นขี้ตำหนิของคนทั้งหลายของกลุ่มของเราทั้งหลายได้ แล้วก็ให้มีทิฏฐิคือความเห็นไปในทางสัมมาทิฏฐิเหมือนกับภิกษุสัมมเนนอื่นอย่าเป็นเมตฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเพ็นนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนยอย่างนี้เป็นตนเราต้องฝึกให้มีความเห็นเหมือนกับภิกษุสัมมเนนอื่นทิฏฐิคือความเห็นแล้วก็แบ่งปันลาบ ที่ตนได้มาโดยชอบทำให้แกเพื่อนภิสูจน์สมณเณรอื่นไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวอันนี้เลยคือสารานิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกว่าสารานิยธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แล้วถ้าคนทั้งหลายพระทั้งหลายอยู่ด้วยกันมีสารานิยธรรมทาหกประการและทำหกคอนีอยู่ในจิตใจของ ชุมชนกลุ่มใดหรือบุคคลผู้ใดผู้นั้นมีแต่ความเจริญเจริญโดยส่วนเดียวถ้าเรามาพิจรารณาดูสิในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนแล้วมีสาระมีประโยชน์สรุปแล้วก็คือใจให้ใจให้เป็นธรรม้างใจของเรามีกิเลสโลภโกรธหลงมีแต่ความพยาบาทอาฆาตเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีขึ้นมาตัวเองลุกเป็นไฟไม่ได้มองเห็นว่า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 บุญทำทานกับพระพุทธทเจ้าเมื่อทาบุญทำทานแล้วบุญกุศลจะเข้ามาสู่จิตใจของเขาเขาก็จะต้องเป็นคนร่ารวยและเขาปรารถนาอะไรนี่แหละคนทำบุญมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตัวเองทำบาปละ่ะจะให้เหมือนคนทำบุญได้อย่างไรมันแยกกันโดยปริยายนะเหมือนน้ำกับ น, น้ำมันนะถึงจะอยู่ในดินเหมือนกันมันก็เป็นน้ามันก็เป็นน้ามัน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 เขาได้ทำกรรมชั่วดูถูกเกยดยามคนอื่นเขากนะ็เลยไปคนอาทิศคนละทางนี่แหละเหมือนกับนางพระพเจกพุทธเจ้าไปขอดินเหนียวมายาหลังหลังคาถ้ำของตอนเองไปบินทบาทบินดินเหนียวนางผู้ดินเหนียวเนี่ครับโมโห มีไม้มีมือมีตีนอยู่ทำไมทำไ ม, ไม่เป็นออพระประเจกเยดาพระประเจต่างหากเกิดมาพบหน้าชาติหน้านี่ยอาปากไปทั้งหนึ่งตาไปทั้งหนึ่งจมูกปิดไปทั้งหนึ่ง <c oughs> เนี่ยเพราะอะไรเพราะความโกรธแต่แต่นางก็ให้นะเอาให้พระประเจกแต่ด้วยอานิสงส์ในการทานถวายดินพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยอร่างกายเนียนนุ่มใครไป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 เหมือนเสมือนกับพิสูุอื่นและก็บแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแต่เราพิจารณาดูแล้วด้วยหลักเหตุผลแล้วก็หลวงพ่อวัดถูกต้องนะอลับพ่อนโมทนาให้พน